ปริญญาวาระหนึ่งปัจจุปันนวาระอนุโลมบุคคลจากขุนธิยะมูลกะในสีน่ร้อยสามสิบห้าอนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จากขุนสี่บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้โสตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกำลังกำหนดรู้โสตินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุ บุบคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็กําลังละโทมนสินศีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกําลังละโทมนสินศีบุคคลนั้นก็กําล <er ังกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินศีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิ บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอันญินศีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกําลังเจริญอันยินศีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนศี บุคคลนั้นก็กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขนสีใช่ไหมวิไม่ใช่จากขนทิริยะมูลกะไนจบโทมนัสินทิริยะมูลกะไนสีร้อยสามสิบหอนุบุคคลใดกําลังละโทมนัสินศี บุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็กําลังละโทมนาสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําลังละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอัญญินรีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกําลังเจริญอัญญินรีย บุคคลนั้นก็กําลังละโธมณสินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกกําลังเจริญอัญญินรีย์แต่ไม่ใช่กําลังละโธมณสินสีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักกาลังเจริญอัญญินรียและกําลังละโธมณสินสีอนุบุคคลใดกําลังละโธมณสินสีบุคคลนั้นก็กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสี บุคคล น, นั้นก็กําลังละโทมณสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่โทมนสินตรียะมูลกะในจบอานัญญาตัญยสามีตินทรียะมูลกะใน437อนุบุคคลใด ก, ลคคนนกําลังเจริญอนัญญาตัญยสามีตินีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอัญญีสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกําลังเจริญอัญญีสี บุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีบุคคลนั้นก็กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปาติบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีใช่ไหมวิไม่ใช่ อนัญญาตัญญสามีตินทริยมูลกะในจบอัญญินทริยมูลกะในสยสามสิบอนุบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินรี่บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินรียบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินรีใช่ไหมวิไม่ใช่อัญญินทริยมูลกะในจบ ปัจเจเนกะจะขุนทริยมูลกะในส3 9ร้อยสาสิบเก้าอนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมกักไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสี่แต่ไม่ใช่ไม่กำลังละโทมนสินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือ ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุน4ีและไม่ใช่กำลังละโธมณสินศีปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำลังละทมณสินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุน4ีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่กำลังละโธมณสินศีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จากขุน4ีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังละโธมณสินศี และไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีอนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิ i, บุคคลที่8ดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมากแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศี และไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินี 4. ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินี 4. บุคคนนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินี 4. แต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จากขุนศีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลย ง, งด้วยมรกแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีและไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีอนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอัญญีศีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอัญญีศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลใดทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีเว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วย อ, อรหัตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีและก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสปีปฏิ บุคคลใดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกําหนดรู้จากขุนศีเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศี จะคุณธุริยะมูลกะในจบโทมณสินทริยะมูลกะในสี่ร้อยสี่สิอนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมณสินรี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอ น, อนัญญาตัญญสามีตินรีใช่ไหมวิบุคคลที่8ดไม่ใช่กำลังละโทมณสินรี่แต่ม่ใช่ไม่กำลังเจริญอ น, อนัญญาตัญญสามีตินรียเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมากแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังละโธมนสินสีและก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสแต่ไม่ใช่ไม่กําลังละโธมนสินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลิงด้วยมักแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีและก็ไม่ใช่กาลังละโธมนสินสีอนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนยินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจพวกไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่มนกำลังเจริญอนยินสีเว้นบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมากแล้วบุคคลที่เหลือ ไม่ใช่กำลังละโธมนสินสีแล้วก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโธมนสินสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโธมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังละโธมนสินสี แต่ไม่ใช่ไม่กําลังทําให้แจ้งอญญาตาวินสีเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนนาคามิมักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังละโธมณสินสีและก็ไม่ใช่กำลังทําให้แจ้งอญญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละโธมณสินสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนาคาม่มัก ไม่ใช่กานบังทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังละโทมนสินสีเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กานบังทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีโทมนสินทิริยะมูลกะในจบอนัญญาตัญญสามีตินทิริยะมูลกะในสร้อยสี่สิบเอ็ดอนุ บุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอันยญญรียใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมักไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนันยญญรีเว้นบุคคลสี่จำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีและก็ไม่ใช่กําลังเจริญอันยญญรีปฏิ บุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอันญญีสีบุคบคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีติน camino, รียใช่ไหมวิบุคคลที่แปไม่ใช่กําลังเจริญอันญญีสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนัญญาตัญญัสามีตินสีเว้นบุคคลสี่จำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญอันญญีสีและก็ไม่ใช่กําลังเจริญ อ, อนัญญาตัญญสามีตินสี <s ient S 1> อ, อนุ บุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลใดกําลังทําให้แจ้งอรหันตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีเว้นบุคคลที่8และอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินี แล้วก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีใช่ไหมวิบุคคลที่8ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีเว้นบุคคลที่8และอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอนญาตาวินสี แล grammar, no ulations, profiles, ้วก็ไม่ใช่กาลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตสีอนัญญาตัญญสามีติทรียมูลกะในจกอัญญทรียมูลกะใน 442. อนุบุคคลใดไม่ใช่กาลังเจริญอัญญสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอนยาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กาลังเจริญอัญญสี แต่ไม่ใช่มีกําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีเว้นบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและอรันตับุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังเจริญอัญญินรียและก็ไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอัญญินรีใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรรคไม่ใช่กําลังทําให้แจ้งอัญญาตาวินสี แต่น่ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญีสีเว้นบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพลยงด้วยมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทำาให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญีสีอัญญนทริยมูลกะในจก ตีตวาระอนุโลมจะขุนทริยมูลกะในสี่ร้อยสี่สิบสาอนุบุคคลใดเคยกำหนดรู้จากขุนสี่บุคคลนั้นก็เคยละโทมนสินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดเคยละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนสินสีแต่ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสี อรหันตตบุคคลเคยละโทมินสินสีแล้วก็เคยกำหนดรู้จากขุนสีอนุบุคคลใดเคยกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี แต่ไม่เคยกําหนดรู้จากขุนสีอรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีเด่นศีและก็เคยกําหนดรู้จากขุนสีอนุบุคคลใดเคยกําหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญศรีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดเคยเจริญอัญญศรีบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดเคยกําหนดรู้จากขุนสี บุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีใช่ไหมวิบุคคลใดทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยกำหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยกาหนดรู้จากขุนศีและก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีปฏิบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิใช่ จกคุนทรียะมูลกะในจบโซมนาสินทรียมูลกะใน444อนุบุคคลใดเคยละโทมนะสินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมนาสินสีใช่ไหมวิ บุคคลสี่จำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยละโธมนสินสีบุคคลสามจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแล้วก็เคยละโธมนสินสีอนุบุคคลใดเคยละโธมนสินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอันญินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกเคยละโธมนสินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอันยินสีอรหันตบุคคล เคยละโธมและศินสีแล้วก็เคยเจริญอัญญินรีปฏิบุคคลใดเคยเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมและสินสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดเคยละโทมและศินสีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมวิบุคคลสามเจมพกูกเคยละโธมและศินสีและไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีอรหันตบุคคล เคยละโทมแณสินสีแล้วก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมแณสินสีใช่ไหมวิใช่โทมณสินตรียมูลกกะในจบอนัญญาตัญญาสามีตินตรียมูลกะในสี่้อยสี่สิบห้าอนุบุคคลใดเคยเจริญอ น, อนัญญาตัญญาสามีตินสี บุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญีย์ใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินีแต่ไม่เคยเจริญอัญญีสีอรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรียแล้วก็เคยเจริญอัญญีสีปฏิบุคคลใดเคยเจริญอัญญีส์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดเคยเจริอญอนัญญาตัญญสามีตินรีย์บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีจินรีย์แต่ไม่เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินรียอรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรียแล้วก็เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินรีปฏิบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอนญาตาวินรีย บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่อนัญญาตัญญสามีตินทรียะมูลกะในจบอั ญ, ญยินทรรยมูลกะใน446๖อนุบุคคลใดเคยเจริญอัญยินรีบุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอนยาตาวินรีใช่ไหมวิบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยเจริญอัญยินรี แต่ไม่ใค่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยเจริญอัญญรีแล้วก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญรีใช่ไหมวิใช่อัญญทริยมูลกะในจบปัจ Valerie. จ尼กะจกขุททริยะมูลกะในสี่ร้อยสี่สิเจ็ด อนุบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนาศินศีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่เคยกําหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช right? ่ไม่เคยละโทมนาศินศีบุคคลหกจาพวกไม่เคยกําหนดรู้จากขุนศีและก็ไม่เคยละโทมนาศินศีปฏิบุคคลใดไม่เคยละโทมนาศินศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลสองจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีและก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปติบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี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 วิใช่ปฏิบุคบคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิบุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีจากขุนทริยมูลกะในจก โทมณสินทธียามูลกะใน448อนุบุคคลใดไม่เคยละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญาสมีตินสีใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกไม่เคยละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญาสมีตินสีบุคคลสองจำพวกไม่เคยละโทมนสินสีแล้วก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญาสมีตินสีปฏิ บุคคลใดไม่เคยเจริญอ น, นัญญาตัญญสามดิน um, สีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนาสินส mhm, ีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่เคยละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินรียใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินรียบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอัญญินรีย แต่ไม่ใช่ไม่เคยละโธมนสินสีบุคคลหกเจมพวกไม่เคยเจริญอัญญรีแล้วก็ไม่เคยละโธมนสินสีอนุบุคคลใดไม่เคยละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโธมนสินสีใช่ไหมวิ บุคคลสามเจมพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยละโธมนสินสีบุคคลหกเจมพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่เคยละโธมนสินสีโทมณสินธริยะมูลกะในจบอันันยตัญญาสามีตินธริยะมูลกระใน๔๐๔๙อนุบุคคลใดไม่เคยเจริญอ น, อนัญญาตัญญาสามีตินสี บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอันยินรียใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่เคยเจริญอันยินรียบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญยตาัญญาสมาตินสีย์ใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกไม่เคยเจริญ อ, อันยินรีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนอัญญาตัญญัสมาตินรียบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอันยินรียแล้วก็ไม่เคยเจริญ อ, อนัญญาตัญญัสมาตินรียอนุ บุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสาเมตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ uh ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสาเมตินสีบุคคลสองจำพวก ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็ไม่เคยเจริญอนัญยาตัญยาสามีตินสีคันั ญ, ญญาตัญญาสามีตินตริยะมูลกะในจบอัญยินตริยะมูลกะใน450อนุบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญยินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสี บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญีสีใช่ไหมวิบุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอัญญีสีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็ไม่เคยเจริญอัญญนสีนอัยญ์ตริยมูลกะในจบ